สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้ปัญญาเดินงานทำหน้าฉันใดสันโดษก็เตรียมตัวพร้อมให้มุ่งเพียนไม่พวักพวบนฉันนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือสันโดษซึ่งทำให้พอใจในวัตถุเสบริโภคของตนมีเท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นหลายคนบอกว่าสันโดษแล้วจะได้มีความสุข ก็ถูกต้องแต่ผิดด้วยถ้าใครตอบว่าสันโดษเพื่อสุขก็ผิดแน่ๆพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นแค่นั้นความสุขเป็นผลพลอยได้ของสันโดดพอสันโดดก็สุขทันทีมันเป็นผลพลอยได้ตามมาเองแต่ยังไม่ใช่วัตถุประสงค์ผลที่ต้องการไม่ได้อยู่ที่นี่ ผลที่ต้องการจากสันโดษคืออะไรเราสันโดษแล้วจะได้อะไรขึ้นมาที่จะเป็นความคืบหน้าและช่วยให้ก้าวต่อไปในรายสิขาพอสันโดษในวัตถุเราก็สุขกับวัตถุที่มีอยู่หรือได้มาแล้วสุขง่ายด้วยวัตถุน้อยมีวัตถุแค่นี้ก็สุขแล้วตรงข้ามกับตอนที่ไม่สันโดษนี่ เราไม่สุขสักทีความสุขของเราไปอยู่กับวัตถุที่ยังไม่ได้เราจรึงกระวนกระวายโลดแล่นหาวัตถุเสพเวลาของเราก็ใช้หมดไปกับการโลดแล่นหาสิ่งเสพเพื่อบำรุงบำเรอตัวเองแรงงานก็ใช้หมดไปกับเรื่องนี้ความคิดก็ครุ่นวุ่นวายกับการที่จะไปหาสิ่งเสพว่าทําอย่างไรจะได้อันนั้นอันนี้มา ความไม่สันโดษจึงทําลายเวลาสิ้นเปลืองแรงงานและสิ้นเปลืองความคิดที่จะใช้ในการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สันโดษเพื่อจะได้สุขกับวัตถุได้ง่ายพอสุขกับวัตถุได้ง่ายแล้วเราไม่ใช่อยู่เฉยๆงานการหน้าที่ของเรามีอยู่แล้วตอนนี้เวลาแรงงานและความคิดเรา อ, อมไว้ได้เราก็เอาเวลาเรียวแรงความคิดนั้น ไปทุ่มเทให้กับการทำกิจหน้าที่งานการกิจหน้าที่นั้นก็ก้าวหน้าก้าวไปได้ดีสรุปว่าสันโดษเพื่อเตรียมพร้อมสันโดษเป็นธรรมะขั้นเตรียมพร้อมคือให้พร้อมที่จะก้าวต่อไปธรรมะนี่มีทั้งขั้นเตรียมตัวให้พร้อมและขั้นก้าวเดิน สันโดษเป็นธรรมะประเภทเตรียมตัวให้พร้อมพอเราพร้อมแล้วเราไม่พรุงพรังไม่มัวกังวลไม่มัวพวกพวลนกับการหาสิ่งเสบบำรุงบำเรอตัวเองทีนี้จะทำงานการสร้างสรรอะไรก็มุ่งหน้าแนวดิ่งไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสันโดษไว้โดดเดี่ยวหรือเลยลอยแต่ตรัสไว้กับการทำหน้าที่และความเพียรในการทาหน้าที่นั้น เช่นสำหรับพระสงฆ์ส่งสอนให้สันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเสร็จแล้วก็ให้ยินดีในการละอากุศลและพัฒนากุศลส่งสอนให้ไม่สันโดษในการพัฒนากุศลนั้นผู้สั้นๆว่าให้สันโดษในวัตถุเสษบริโภคแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเป็นกุศลธรรมสิ่งที่ดีงาม การสร้างสรรค์คุณความดีที่ประเสริฐพระองค์ทรงสอนไม่ให้สันโดษพระพุทธองค์เองก็ไม่สันโดษและเพียงไม่ระยอ่อหลักการนี้มีทั้งในพระสูตรและอภิธรรมถ้าสอนสันโดษต้องสอนความไม่สันโดษด้วยพร้อมกันและต้องรู้ว่าให้สันโดษในอะไรไม่สันโดษในอะไรคือหนึ่งให้สันโดษในวัตถุเสพ จะบํบรมบํำเรอตนเองหาความสุขส่วนตัว 2. ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมในการทําความดีงามในการทําการสร้างสรรค์สันโดษกับไม่สันโดษจึงไปด้วยกันได้อย่างดีสันโดษมนุนความไม่สันโดษช่วยให้เราก้าวต่อไปในตรายสิกขาให้สามารถทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น ในการที่จะพัฒนาชีวิตและสังคมนี่เป็นตัวอย่างของเกณฑ์วินิจฉัย